ธรรมบทแปลเรื่องที่174เจภาคที่หเรื่องเจ้าหญิงโรฮินีพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในนิโคตารามทรงปรารพเจ้าหญิงโรฮินีรัตพระธรรมเทศนานีวาา้ว่าโกทังเะเหวิปปะชหยะมานังสัญโยชะนัง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 เป็นแต่พระน้องนางของพระเทระชื่อโรหินีพระเทระถามพวกญาติว่านางโรหินีอยู่ที่ไหนพวกญาติอยู่ในตำหนักเจ้าข้าพระเทระเหตุไรจึงไม่เสด็จมาพวกญาติพระนางไม่เสด็จมาเพราะทรงละอายว่าโรคผิวหนังเกิดที่ศตรีระพระเทระ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 รอยนีก็เธอทรงทำบุญไม่กวนหรือจะให้ทำอะไรเจ้าข้าจงให้สร้างโรงฉันก็หม่อมฉันจะเอาอะไรทำก็เครื่องประดับของเธอไม่มีหรือมีอยู่เจ้าข้าเครื่องประดับนั้นราคาเท่าไรจะมีค่าหมื่นหนึ่งรอยนี้ถ้ากระนั้นเธอจงขายเครื่องประดับนั้น ให้สร้างโรงฉันเติดท่านผู้เจริญก็ใครเล่าจะทําให้หม่อมฉันเจ้าข่าประเทระได้แลดูพระญาติซึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าขอเรื่องนี้จงเป็นภาระของพวกท่านทั้งหลายพวกพระญาติก็แล้วพระกุณเจ้าจะทําอะไรหรือเจ้าข่าประเทระก็แม้อาตมาภาพก็จะอยู่ในที่นี้เหมือนกันถ้ากระนั้น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 ก็นั่งเสมอเสมอลำดับนั้นเมื่อพระนางกวาดรงฉันอยู่นั่นแลโรคผิวหนังก็ราบไปแล้วเมื่อรงฉันเสร็จพระนางจึงได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วได้ถวายคาธนิยะและโภชนียะที่ประนีตแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งเต็มรองฉัน พระศาสดาทรงทำพัตกิจแล้วประลถามว่านี่เป็นทานของใครพระนุรุธะของโรหินีพระน้องนางของข้าพ ร, พระองค์พระชก้าพระศาสดาก็นางไปไหนเล่านางอยู่ในตำหนักพระชก้าพวกท่านจงไปเรียกนางมาก็ประนางไม่ประสงค์จะเสด็จมาในที่นั้น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 โรฮินีก็เธอรู้ไหมว่าโรคนั้นอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระชจ้าก็โรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นแล้วก็หม่อมฉันทำกรรมอะไรไว้พระชก้าตอนบุรพกรรมของพระนางโรยินีลำดับนั้นพระาศาสดาทรงดำอดีตนิทานมา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 ก็กรรมนั่นที่เธอทำแล้วในการนั้นก็ความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณน้อยไม่ควรทำเลยดัง น, นี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าโกทังชะเหววิปปะชหยะมานังสัญโยชะนังสัพพะมติกเมยะตันนามะรูปัสมิง อสัจะมานังอกินจะนังนานุปันติทุกขาแปลว่าบุคคลพึงละความโกรธละความถือตัวล่วงสังโย์ทั้งสิ้นได้ทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ไม่คล่องในนามรูปไม่มีกิเลสเรื่องกัางบนนอนแก้อัดมันดาบทเหล่านั้นคำว่า โธทงังแปล ว, ว่าความโกรธหมายความว่าพึงละความโกรธทุกๆุ ก, กอาการก็ดีมานะเก้าอย่างก็ดีคํา ว, ว่าสังโยฉนังแปลว่าสังโยดหมายความว่าพึงล่วงสังโย์ทั้งสิบอย่างมีการมราคาสังโยดเป็นต้นคาว่าอสัชฌามานังแปล ว, ว่าผู้ไม่คล่อง หมายความว่าไม่คล่องอยู่อธิบายว่าก็ผู้ใดยึดถือนามรูปโดยนัยว่ารูปของเราเวทนาของเราเป็นต้นและเมื่อนามรูปนั้นแตกไปย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนผู้นี้ชื่อว่าคล่องอยู่ในนามรูปส่วนผู้ไม่ยึดถืออย่างนั้นชื่อว่าย่อมไม่คล่องขึ้นชื่อว่าทุกทั้งหลาย ย่อมไม่ตกต้องบุคคล น, นั้นผู้ไม่คล่องอยู่อย่างนั้นผู้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเรื่องกัางบลเพราะไม่มีราคะเป็นต้นในการจบเทสนาชนเป็นอันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้พระนางโรหินีก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลสรีระของพระนางได้มีวันนะดุจทองคา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 นางเกิดภายในเขตแดนของเราเทพบุตรสี่องค์นั้นจึงได้พากันไปสู่สำนักของท้าวสักกะเทวราชกราบดูลว่าข้าแต่ท่านเทพเจ้าข้าโปรโงค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นพระอาศัยเทพธีดานี้ขอโปรโงส่งวินิจฉัยคดีนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชพอได้ทรงเห็นพระนางก็เกิดเป็นผู้สศเนหาจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่า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 องที่สมตอบว่าจำเดิมแต่การที่ข้าพระองค์เห็นหนางนี้แล้วตาทั้งสองถลนออกดุจตาของปูองที่สี่ตอบว่าจิตของข้าพระองค์ประดุดธงที่เขายกขึ้นบนเจดีย์ไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นเท้าวสักกะจึงได้ตรัสกับเทพบระวุตรทั้งสี่นี้ว่าพอทั้งหลายจิตของพวกท่าน ยังขมได้ก่อนส่วนเราเมื่อเห็นเทพธิดานี้จึงจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้จะต้องตายพวกเทพประบุตรจึงตูลว่าข้าแต่มหาราชะพวกข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความตายของพระองค์ดังนี้แล้วต่างก็สลัดเทพธิดานั้นถวายเท้าสักกะแล้วก็หลีกไปเทพธิดานั้นได้เป็นที่รักที่พอพระรท่าหรไต่ ของเท้าสักกะเมื่อนางกราบตูนว่าหม่อมฉันจะไปสู่สนามเล่นชื่อโนอนท้าวสักกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำของนางได้เลยลนี่แหละเรื่องเจ้าหญิงโรฮินี